ตอนความงมงายอันหนึ่งจากเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จดังที่ได้กล่าวมานั้นสำหรับท่านผู้อ่านที่มีพื้นความรู้ทางพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและยอมรับว่าโอปปาติกามีจริงท่านก็จะเห็นได้ชัดว่าเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จนั้นก็คือปาฏิหาริย์ที่มีความมหัศจรรย์ ยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จที่ท่านสร้างขึ้นเสียอีกทั้งนี้ก็เพราะเทศนาของท่านนี้ได้แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อสมเด็จยังมีตัวตนปรากฏอยู่จริงในโลกของโอปปาติกะความรู้ความสามารถตลอดทั้งอุปนิสัยต่างๆของหลวงพ่อก็ยังคงอยู่ในรูปเดิมแม้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ยังทาให้เราจาได้ว่าสำนวนอย่างนี้ธรรมเทศนาอย่างนี้ ต้องเป็นของหลวงพ่อสมเด็จอย่างแน่นอนแล้วเราจะมองเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าการติดต่อกับโอปปาติกะถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วจะไม่มีอะไรที่เป็นความงมงายหรือว่าไร้เหตุผลอันนี้แหละคือสาระสําคัญที่จะทำให้เราเชื่อแน่ได้ว่าหลวงพ่อสมเด็จมาแทจ้จริงๆ แต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่จะยอมเชื่อก็ต่อเมื่อได้เห็นปาฏิหาริย์ในรูปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรทำนองนี้เมื่อมาอ่านเท释ณะของท่านก็คงจะไม่ตื่นเต้นอะไรเลยและอาจจะไม่เชื่อเสียด้วยซ้าเพราะเขาอาจจะคิดเอาง่ายๆว่าข้อความอย่างเนี้ยคนทรงพูดออกมาเองก็ได้ขอให้สังเกตเรื่องการเล่นกลซึ่งคนที่แสดงได้เก่งนั้น ถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นการเล่นกลเราก็จะเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่มหัศจรรย์ยิ่งแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงว่าคนทรงที่สมบูรณ์นั้นจะต้องพูดออกมาในลักษณะที่เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทและละเมอออกมาก็ย่อมจะคิดเช่นนั้นได้แต่สำหรับคนที่รู้เห็นเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น ทุกคนมีความเชื่อสนิทดังที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงให้ทราบมาแล้วในหนังสือวิญญาณฉบับก่อนการที่ข้าพเจ้าต้องนำเรื่องความงมงายมาเขียนทั้งนี้ก็เพราะมีโอปปปาติกะองค์หนึ่งเป็นผู้แนะนำให้เขียนเพื่อแก้ความงมงายในเรื่องนี้เนื่องจากเวลานี้คนที่อ้างว่าติดต่อกับวิญญาณหรือโอปปาติกะได้นั้นมีมากมาย ซึ่งแต่ละแห่งก็มีเรื่องที่น่าเชื่อบ้างไม่น่าเชื่อบ้างปะปนอยู่เสมอซึ่งได้สร้างความโงนดสนเทให้เกิดแก่คนทั้งหลายเป็นอันมากโดยทั่วไปแล้วคนทั้งหลายก็อยากจะเชื่อเรื่องนี้แต่และก็เชื่อไม่ลงครั้นจะไม่เชื่อซสียเลยมันก็มีอะไรที่ทำให้น่าเชื่ออยู่บ้างทั้งนี้ก็เนื่องจากไปสนใจในจุดที่ไม่ถูกต้อง คือไปสนใจแต่ในเรื่องปาฏิหาริย์หรือในเรื่องที่จะขอให้ช่วยบรรดาลขอให้ช่วยรักษาโรคและสำนักทรงทั้งหลายก็มุ่งแต่จะแสดงปาฏิหาริย์หรือมุ่งแต่จะสนองความต้องการของคนทั้งหลายโดยหารู้ไม่ว่าประโยชน์ที่แท้จริงของความสนใจในเรื่องนี้อยู่ที่การทำให้คนทั้งหลายเกิดความเชื่อได้อย่างสนิทว่าคนเราตายแล้วไม่สูนตายแล้วก็ยังมีชีวิตและชีวิตประเภทนี้ ก็เป็นชีวิตจริงๆไม่ใช่เรื่องนึกเอาเองหรือเป็นเรื่องจินตนาการของคนที่เชื่อเพราะฉะนั้นในเมื่อการติดต่อกับวิญญาณได้สร้างความฉงนสนเทให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายก็หมายถึงว่าสำนักเหล่านี้ได้สร้างอันตรายอย่างร้ายแรงให้เกิดแก่สังคมเพราะการไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีหรือเชื่อ แต่ไม่สนิทใจหรือเชื่ออย่างผิดๆอันเนี้ยเป็นจุดบอดที่จะทำให้คนทั้งหลายเข้าไม่ถึงธรรมในส่วนลึกซึง้งและตราบใดที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องโอปปาติกะตามความเป็นจริงความเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงทรัพย์สมบัติเป็นห่วงชีวิตตลอดถึงความกดดันต่างๆจะหมดไปจากจิตใจไม่ได้ พระเจ้ากล้าท้าพนันได้ทีเดียวว่าการปล่อยวางต้องดำเนินไปเป็นขั้นๆจะพรวดพลาดไปถึงการปล่อยวางในเรื่องตัวตนโดยที่พื้นการเสียสละยังมีไม่พอนั้นยอมเป็นไปไม่ได้เพราะมีกฎตายตัวอยู่ว่าการที่คนเราจะละตัญหาในเรื่องไหนจะต้องมีสิ่งชดเชยในเรื่องนั้นและสิ่งชดเชยนั้นจะต้องมีคุณค่าเหนือกว่า การสอนให้ปล่อยวางโดยไม่เข้า ใ, ใจรากฐานอันนี้แทนที่จะก่อให้เกิดผลดีก็มีแต่จะก่อให้เกิดความกดดันซึ่งออกมาในรูปที่แปลกๆดังตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยพบมาแล้วเช่นมีคนคนหนึ่งเขาถือหลักในเรื่องความว่าง<ๆ>เขาบอกว่าเขาจะกินเหล้าเขาจะทำอะไรก็ได้ขอให้ทำด้วยใจว่างอย่าไปยึดถือมันมันไม่มีอะไร มันไม่ใช่เรากินหรือใครกินอย่างเนี้ยเป็นตน้นซึ่งนับว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าขอเน้นให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าจุดหมายที่แท้จริงของข้าพเจ้าในการค้นคว้าเรื่องนี้อยู่ที่ต้องการจะพิสูจน์ออกมาให้ข่าวสะอาดว่าคนเราตายแล้วไม่สูญ โอปปาติกะมีจริงและจากการศึกษาเรื่องชีวิตของโอปปาติกะนี้จะทำให้เราเข้าใจง่ายถึงพุทธพจน์ที่ว่ามนโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณโลกหมุนไปตามจิตวิวัฒนาการไปตามจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปดูก่อนอานน์ถ้าวิญญาณจักไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือซึ่งพระอาน o น์ก็ทูลตอบว่ามิได้พระพุทธเจ้าข่าครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า เพราะเหตุนี้แหลอานนท์เราตาาคตจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนอกจากนี้ยังมีพุทธภาษิตอื่นๆอีกมากมายซึ่งในเมื่อสรุปแล้วเราก็สามารถที่จะกล่าวยืนยันได้ว่าทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจเมื่อเราแก้ไขจิตใจของเราให้ดีแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามใครก็ตามที่สอนธรรมะเพื่อให้คนปล่อยวางถ้าหากไม่ยอมรับในเรื่องตายแล้วเกิดคือไม่ยอมรับว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วจะต้องเกิดอีกซึ่งหมายถึงเกิดในอัตภาพใหม่มีร่างกายใหม่ และไม่ยอมรับว่าการที่พระพุท ธ, ธเจ้าเกิดมาเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าได้ก็เพราะได้ทรงสร้างบา ร, รมีมานานไม่ยอมรับว่าคนเราเมื่อเกิดมาก็มีกิเลสมีวิบากติดสันดานมาแล้วตั้งแต่ปฏิสนธิไม่ใช่คนเราเพิ่งจะมีกิเลสตอนที่เกิดมาในโลกนี้อะไรทำนองเนี้ยการสอนโดยที่ไม่ยอมรับหลักพุทธศาสนาดังที่กล่าวมา ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนในคำพีพระไตรปิฎกนั้นนับได้ว่าได้สร้างความหลงผิดได้สร้างอันตรายให้เกิดขึ้นแก่วงการพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงข้าพเจ้ามีความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าการสอนพุทธศาสนาในรูปที่ปฏิเสธชาติก่อนชาติหน้าและปฏิเสธอะไรอีกหลายอย่างเป็นภัยต่อพุทธศาสนาจริง เพราะคนในสมัยปัจจุบันที่ทํำบาปกรรมโดยไม่เกรงกลัวก็เพราะไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีทั้งๆที่ในปัจจุบันชาตินี้เขาก็ได้รับผลของกรรมในอดีตอยู่แล้วทุกขณะแต่เขาไม่รู้สึกตัวขอให้สังเกตว่าคนในกลุ่มนี้มีตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาจนกระทั่งคนที่มีการศึกษาดีคนเหล่าเนี้ยถ้าหากจะยังไม่เป็นภัยแก่ใคร ก็เพราะว่ายังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและพื้นเดิมก็เป็นคนดีพอสมควรจึงยังเป็นคนดีอยู่ได้แต่ในเมื่อคนทั้งหลายโดยนี้ใส่สันดานมีความโน้มเอียงในอันที่จะทำบาปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อมีผู้รู้มาแนะนำให้เขาเกิดเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีเขาก็จะทำบาปมากขึ้นและถ้าคนที่ทำบาปนี้ เป็นคนมีความฉลาดมีอำนาจก็ยิ่งจะเป็นภัยต่อสังคมมากขึ้นข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงภัยอันนี้จึงได้พยายามทุกทางที่จะหาทางพิสูจน์เพื่อให้คนทั้งหลายยอมรับกันโดยอย่างทั่วถึงว่าคนเราตายแล้วไม่สู์ซึ่งในทัศนะของข้าพเจ้าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องสอนให้คนทั้งหลายเข้าใจและให้เชื่อมาตั้งแต่เด็กๆทีเดียว การสอนให้เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดตามความหมายที่ข้าพเจ้าสอนอยู่เสมอไม่ใช่สัสตสตาทิธิเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าวิญญาณที่เกิดมาใหม่ไม่ใช่วิญญาณอันเก่าแต่มันก็สืบต่อมาจากอันเก่าเหมือนต้นเป็นเหตุให้เกิดมเมล็ดมเมล็ดเป็นเหตุให้เกิดต้นตราบใดที่เหตุปัจจัยของมันยังมีอยู่ต้นไม้ชนิดนั้นจะต้องมีอยู่ตลอดไป ขอให้สังเกตว่าต้นไม้ที่เกิดใหม่ไม่ใช่ต้นเก่าข้าพเจ้ามีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าวิญญาณมีการเกิดดับและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเปลวไฟตัวตนที่แท้จริงของวิญญาณไม่มีและการที่จะบรรลุถึงนิพพานหรือบรรลุถึงความสงบอันปราณีตจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อต้องเห็นแจ้งทุกขณะจิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่า ตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่ตัวตนที่สมมุติมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากเท่านั้นซึ่งตัวตนอันนี้ก็ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้และการที่จะละอุปาทานได้จริงๆนั้นความสำคัญอยู่ที่ต้องละตันหาให้ได้และการที่จะละตันหาได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นชัดว่าตันหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตันหาเสได้ คือความพ้นทุกข์หลักธรรมเหล่านี้ข้าพเจ้าสอนบ่อยที่สุดยิ่งกว่าที่จะพูดถึงเรื่องโอปปปาติกะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าข้าพเจ้าสอนเรื่องวิญญาณเป็นการสอนให้คนเป็นสัสตตตถทิฐินั้นโปรดเข้าใจซิให้ถูกว่าไม่ได้เป็นดังที่บางคนเข้าใจหมายเหตุผู้อ่านสัสตตตทิฐิ หรือแปลว่ามีความเห็นว่าเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลง